9. ราชวักหนอันเตปุระสิกขาบท 173. ภิกษุไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเข้าเขตพระราชฐานชั้นในต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. 9ก้าเท้าที่หนึ่งล่วงธรณีประตูต้องอาบัตทุกกฎ 2. 9ก้าเท้าที่สองล่วงธรณีประตูตอ ต้องอาบัตปาจิตตีสรัตนสิกขาบทพิกษุเก็บรัตนะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังเก็บต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อเก็บแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสาวิการละคามะปะเวสนะสิกขาบทพิกษุไม่บอกลาภิษุ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 ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังทำรรต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อทําเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีห้ามันจะปีทะสิกขาบทภิกษุให้ทําเตียงหรือตั้งเกินขนาดต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังทําต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 6. ตูโลนัทธสิกขาบทภิกษุให้ทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังทำต้องอาบัตทุกกดเพราะพยายาม 2. เมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 7.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 ต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กําลังธรำรต้องอาบัตดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อทําเสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตตี 9. วัตสิกะสาติกาสิกขาบทภิกษุให้ทําผ้าอาบน้ําฝนเกินขนาดต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กําลังทำต้องอาบัตดทุกกฎเพราะพยายาม สเมื่อทําเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสิบนันทะศิขาบทถามภิกษุให้ทําจีวรเท่ากับสุคตจีวรต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุให้ทําจีวรเท่ากับสุคตจีวรต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังทำต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อทำเสร็จแล้วต้องอาบัตปาจิตตีภิกษุให้ทำจีวรเท่ากับสุคตจีวรต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ราชวั์ที่9ก้าจบขุทธกะสิกขาบทจบ